ดูไหมตอนตอนนั้นน่ยคุณนอะไรผมฟังว่าทดลองกันแล้วก็เป็นทองคำขาวแท่งเป็นสีขาวแต่ว่าอยู่กวนะฮะ<ม>แล้วเมื่อไปทดสอบให้พวกร้านทองเขาทดสอบดูเขาว่าเป็นทองคำขาวหรือเปทินัมนี่นะฮะ<ม>แล้วเสร็จแล้วพอจะทดลองก็จะเอาเนื้อนมาดูพวกที่ลุกิที่มาร่วมทาเลยอมไปแล <c oughs> ้วมเจออย่างนี้เลยตานะเราจำดา <c oughs> ได้นะอันนี้จำไม่ได้อะไั้นี้อ๋อ และวิธีอื่นที่ได้ผลทัศที่ศาสตร์คุณหน้ามีอะไรบ้างทัศที่เคยพบเห็นมาในการทดลองทำไปก็ครูมาสอนสอนทุกๆครูก็หายลังหมดลงได้ไม่ได้ความจริงไม่ได้ความจริงมีของหมื่นชานที่ได้ผลหน่อยที่ของหมื่นชาอแล้วนอคนนั้นก็หายลังหมดมาทาท่านท่านเขาหมดวิชาเขาไปหมดวิชาเขาไปหายเงียบไม่มาอีกไม่ได้ผล คนก็สรุปแล้วถ้าที่ทดสอบมาก็มีวิธีที่กล่าวมาี่วิธีเดียวที่ทได้ผลใช่ไหมใช่แน่คนแล้วนอกจากนั้นไห่น่ะเราจะนั้นไม่ได้อาจารย์ทั้งสิบกว่าอาจารย์วมาหัดฝึกหัดทํากัากากากากกนและการให้ไฟในในใ น, ในขณะนั้นต้องให้ขนาดเท่าไหรเท่าไร่อ๋อมันไม่มีเครื่องวัด น, นะไม่มีเครื่องต้องสังเกตเนาต้องสังเกตนอกจากการแปลธาตุเป็นทองอย่างวิธีที่กล่าวมาแล้ว มีการเขาเรียกอะไรว่าขั้วหรือว่าเครือบหรือว่าอับอะไรอย่างนี้มีมไหมเออไม่ใช่ตาราของท่านอ๋อไม่ใช่ตําราท่านอ๋อตาราของคนอื่นอ๋อและอย่างนี้ได้ผลไหฮ ะ, ะได้ผลไหมฮมันได้ทั้ของแม่บริสุทธิ์ของหลอกเขาเฮอยเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ปรากฏว่าพวก เครื่องกระไล่นะะเครื่องกระไลทองจากต่างประเทศมาขายดีในตลาดเมืองไทยแปลว่ามันไม่ไม่ได้พ้นในเรื่องเคลือบได้ร้อยเอร์เซ็นต์นะฮ ะ, น, ะ, ฮะนี่ําราเก่าๆเรามีอะไรที่ว่าเคลือบได้ร้อยเปอร์ซ็นอย่างอยนะ่างอ่าคืออยู่กดแต่ว่าไอน้ําหนักมันก็ผิดไปแหละนะฮะในการอยู่กดอย่างเนี้ยอมีบ้างไหมฮะไม่มีไม่มีนะฮ ะ, นะฮะไม่อยู่นะฮะไม่อยู่อ๋อ ถึงจะอาบยังไงก็ไม่อยู่กดเนะไม่อย่เอากดหยอดไปทองมันก็หายท้อหายท้อ้องไม่หายแล้วเห็นแค่ธาตุอื่ไป <laughs> ก็ทองที่เคลือบไว้ก็หลุดมันมันไม่กินแือทองคามันก็โยงอนนันกอดไม่กินเห็นธาตุอื่นกูกินแล้วมีมีวิธีไหนที่ที่ชนิดเอามาเคลือบที่ได้ผลมีไงมมันมีเอเทนซ์คือผสมผสมเลยฮะ ผสมแล้วก็นี่มันมียามันต้องมียาต้องมาใส่เบ้าทีผสมนี่มีส่วนยังไงฮะใช้โลหะอะไรผสมว่าใช่ธาตุเงินเนี่ยเงินแท้นี่นะฮะเอาเงินแท่ส่องบริสุทธิ์ไหมฮะครับ เ, เงินบริสุทธิ์เอาเงินแล้วก็ทอง<ม>ทอำแล้วทับสลึงหนึ่งเงินบาทเทกับทองคำสลึงเงิ น, นบาททองคําสลุงนะฮะทองคำเล็กเข้ากัน เราไม่เล่ากันนะเขานะมาทำเป็นรูปหัวพอนหัวพันแล้วก็ต้องเอามาใส่เบาอาย า, น, น, า น, นั่นนำมาสบสบไปจนแไฟนั่นแหละจนอนยาในเบานยละลายคราว น, นี้เนื้อทองคำมันออกมาข้างลอกมันออกมาหุ้มไอ้ธาตุเงินหมดแ้วไปลองกดอกกรกขีดนี่ ก็จริงแต่ว่าข้าหาก็ไม่ลองกดไม่ลองกดาใช่ก็ใช่เท่าไรไรใช้เท่าไรเท่าไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็ไม่ดไม่ดําอมีสาพเมงเหมือนทองถ้าขัดจะหลุดะขานก็ไม่หลุดขัดก็ไม่หลุดนะไม่หลุดอ๋อแล้วก็วิธีนี้คุณ่าเคยทดลองหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ได้ลองเป็นเพียงเป็นเพียงเขาบอกนะะและเรื่องที่เขาเขาทำเขาเคยทดลองใช่หรือนะรึกระท่านทำเคยทำมีอ๋อได้ผลใช่ไหย ทต่วันนี้ก็ท่านทำมาจากวัดอ่นนี้ก็เขาทองของจ้าบ้านเขามาทำทางวันนี้ก็าทเอามาผสมทางเนี่ยอ่ารานนี้เจ้าของบ้านก <c oughs> <c oughs> ็เอาทองก็เขาทก็ทำกลายเป็นเัน <c oughs> นเ่ยแกงขรมร้อน <c oughs> ป เ, เป็หลอกลวงครับอ้าวหาว่าหลอกลวงครั บ, บ, บมันก็หลอกจริงๆฮิงหลอกจริงจงไม่ใช่หลอกเล่นเล้วแล้วย่ายานี่คุณน้าพอจะทราบไหมเขามีส่วนประกสมนี่นมันจําไว้ไหนละอ๋อให้ทั้งาได้โจทยโจทไม่รู้ทิ้งกูไหนหมดแล้วมันเมื่อยไปก็เลยทิ้ง <c oughs> ไม่ได้กลนะฮะ <c oughs> ไม่ได้กลแล้วทีนี้นอกจากวิธีแปลธาตอย่างนี้นะฮะผมทราบว่า การแปรธาตุเนี่ยเขาทำปรลอดสําเร็จอะไรพวกนี้ยอ่าหลวข้่อท่านเคยทดลองใช่ไหมรหรเมราสำเร็จไม่มีไม่มีทครทำสําเร็จเลยเหรอครับครับฆ่าตายก็ไม่มีฆ่าก็ไม่ตายไม่ตายอ๋อแล้วฆ่าตายมันก็รวยไม่ต้องทอะไรโอ้ทำทองทำอะไรหมดค่ะฆ่าประหลอดตายอย่างเาดียวท่นั้นมันรวยแล้วครับ <laughs> แล้ว<อ>ที่ว่าปลอดสาเร็จปลอดสําเร็จเนะ่อ่าคุณน้าเคยเห็นเคยได้ยินไหมครั เคยได้ยินเขเล่าได้ที่เห็นยังไม่เห็นผมจําได้ว่าในขณะที่หลวงพ่อท่านทำวิชาครั้งหนึ่งท่านเคยให้พวกที่มีประโยชน์สเร็จที่มาในภาวะกายปิดนะฮะมาที่โรงงานคุณอาคอจะไม่บอกไหมฮะที่ในสิงโปก็ยังอยู่กําลังป่วยและท่านทดลองให้พวกทางโรงงานก็ให้เอาปลอดยชน์สเร็จุ่มไปในนั้นพึ่งไปขึ้นมาจําได้ไหมฮะ ก็จำได้เหมืนกัลองลองลองเล่าแค่ไม่็นนั่นแหละลองเล่าสถิติเท่าไร่พรงงานเ็เล่าระวังเอาไปเอาตลอดทาเลจับสีอะไรมาเอามาใส่ในน้ำพุ่งตุ่มน้ำไหฮะตุมน้ำไหมแต่มันจะตุมจริงหรือไม่จริงมัวก็เลยโอ้ยังรงกลนะแล้วน้ำพุ่ง้นมันไม่ใสขึ้นหรไม่ใสขึ้นหรไม่ใสมีสภาพคงเดิมคงเดิมอ๋อ ผมได้ยินจากหล่ท่านบอกว่าถ้าฝนตั้งเพิ่งหลวงพ่อท่านยังเอามาส่งไว้ให้เมื่อวันนี้พ่อคุ้มประยชน์สำเร็จเจ้าอแล้วก็ไม่แล้วลองทานหรือปล่ะแล้วก็ท่านให้คุณเจะาองค์ไปไม่ได้ผลฮะก็ไม่ได้ผลให้เขาไปลองกินดูเจะก็าจะได้หายโรคก็าบอกพร้อมอยู่ก็ไม่ได้ผลใช่ไหมไม่ได้ผลงั้นอันนี้ก็อาจจะจะทไม่ได้ อย่างที่ท่านสั่เพราะว่าเท่าที่ท่านเคยเล่าให้ผมฟังว่าถ้าประลอดสําเร็จของพวกนี้เขายอมให้จุ่มจริงแล้วน้ําพึ่งซึ่งข้นๆเนี่ยจะใสเหมือนน้ำค้างค่ะใสเป็นน้ําำใสเหมือนน้าค้างแล้วก็ให้น้ําพึ่งที่ใสเหมือนน้าค้างนั่นนะฮะแต่ยังมีความเหนียวแบบน้ําพึ่งอยู่นะฮะไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ใสน่นมีความเหนียวเหมือนอย่าน้ําพึ่งอยู่ ถ้าหากว่าใครมีโรคไครไข้เจ็บใดๆได้ดื่มกินแล้วจะท้องเดินแล้วก็ถ่ายโรคออกหมดครับรุ่งเรองนายวุอันนี้อันนี้คุณน้าก็ได้ยินหลพ่อทรายเราเนะ่นะแต่ว่าการทดลองครั้งนั้นไม่ได้ผลไม่ได้ผลน้ำฟึ่งมันก็ไม่ใสก็แสดงว่าท่านยืนยันว่าปลาร้าเปรจเนี่ยมีจริงแต่ไม่ใช่ของปลาราแต่เราจะทําไม่ได้แต่บางคนมีใครทําได้อ แ ล, แล้วแล้วแล้วพวกที่เขาทําได้เขาเขาทำได้ยังไงอย่างพวกฤษีพีไฟหรือพวกที่เขาสำเร็จตลอดอะไรพวกนี้ยเขาทําได้เขาก็ไม่บอกใอครอ๋อแต่แต่แสดงว่าถึงแม้การนั้นก็ยังมีผู้ที่มีจริงอยู่<ะ>ใช่ไหมคระบครับมีแต่ว่าในมนุษย์นี่เรานี่ไม่มีใครทําได้อ๋องั้นที่เขาเขาทำได้ก็ต้องไปทํากันในป่าเขาแล้วก็เลยหายตัวกันเลยเขาก็ทําในบ้านนะเพราะเขาทำได้แล้วเขาอาหายได้ เพราะต้นเหล็กมันออกได้แลวอย่างนี้อย่างนี้เรียกอะไรกินตลอดทักลางตลอดจะไม่้เล็นคือไมาความว่าที่เขาแต่นี้ผมเคยทั้สองทำเหมือนกันมันไม่มันให้ตลอดกินตะกัวเข้าไปเข้คขับค่ะาอย่างนี้คุณน่าเคยทำได้สวยกว่านี้ อันที่ผมจำได้คือแม่ความาเข้าทาตแล้วพอออกมาลืกกว่านี้เป็นทองคำจำได้เหมือนั น, นะฮะ с. ทีแรกออกค้อนจากเบ้าดีใจหลอกมีเหมือนกันฮะมกรุกตะมีลูกเศษจุ ก, กุนพัสดีนะเอว่อาหลอกลาในนี<อ>้ใส่หงกันทําประหอดแค่บอกว่าเปนทําประหอดได้เอาเมสแบกมาสร้าเรื่กันเลยโอกโอกัน แล้วได้ผลอะไรไหมฮะหรือไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับแค่มีธาตุแค่คอธาตุแกก็เอาน้ำโกลาไปเนี่ยน้อแล้วก็นี่ก็เอาปลาหลอดคอคว้าหดก็ธาตมันมีอยู่ในนั้นแ่ก็เอาไอ้จุลศรีใส่ลงไปในหม้อต้มไปไอ้จุลศรีมันเป็นธาตุงแดงมันก็ค้ามมกินไอ้ปลาหลอดวักินถึงปลาหลอดมันก็แข็งอ้กายโแก่ทำปลารอดต้ยทเอาปลาหลอด ต้น้ำประอดห่อผ้าแล้วหนังให้เใส่ในหม้อในเนะในหม้อเอาเอาไอจุนลศสีใส่ไปต้มหรือ๋อให้ทาสรงแดงมันออกจากไอจุลศรีมันก็เขามาอยู่ในประหลอดมันก็แข่งแล้วต้มประอดโบราณว่าต้มไปสักสามปีมันก็แข่ใช่ใช่แล้วห่อผ้าตรลอดไม่ออกจากผ้าเลยไม่ออก๋อไม่ออกแต้องผ้าหนาไหมหรือผ้าบางก็ไม่ออกไม่ออกผ้าบางไม่ออกอ๋อแล้วก็น้ําต้องต้มให้เดือด ว่าต้องไปต้องเงียอแล้วก็เอาจุลนสีใสไปในขณะที่ตรงใสไปเลยใว้ในกล้องมองก่อนเก็เห็นเลยเป็นไม่ดีไม่ดีปลอดแข็งไม่ดีเราก็ต้องปลอดแข็งอย่างงั้นอย่างงั้นอย่างใช้จุลนสีอย่างนี้ก็ดีกว่าที่เราจะใช้ตะกั่วดีกว่านะฮะแข็งกว่าแข็งกว่านะฮะพอใช้ตะกัวนี่เรารู้ว่าผ้านั้นเป็นผ้าตะกั่วนะฮะ ถ้าตงงแสีนี้นนถ้าหากว่าเราใช้จุลสีเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ผอผ้าเราจะทําให้เป็นรูปหรือไเราจะทํำยังไงหรือให้มีรูปตามที่เราต้องการเราต้องการอเราก็เราเอาจุนสีเรามาบดเหละเอียด น, นี่ครับอันนี้เราก็เอากหลอดลงไปคนตนะกวนตะกวรในจุนสีไม่ต้องเข้าไปก็ได้ไม่ต้องเข้าไปอ๋อคนในจุนสีอ๋อแล้วก็เทใส่แบบ อวิธีนี้ก็แข็งเหมือนกันทิ้งไว้นานให้กว่าจะแข็งวิธีนี้ไม่ไม่นานอะอาจารย์ลองเล่นเขาเขาเปนตลอแต่ตลอดแพ้แต่ของผมมีเคซื้อไว้มีขวดมาเลยวันไหนว่างวันไหนยุนฤธิ้นี่ต้องมากไหมฮะยุนฤทธี้ต้องมากไหมข้ไม่ไม่มากเับ ไว้ลองหากินอะไรสวยๆแล้วก็ให้นาทบลองที่หนึ่ไม่ต้องให้กินตะกูไม่ต้องให้ไม่ต้องตะกัวแบบนี้รู้สึกว่าจะสวยกว่าเพราะกินตะกัวแล้วมันหมองใช่ไหมฮะแต่กินยูนัสติ้นี้ไม่หมองเลยนะหมองหมองเหมือนกันนะอ๋อหมองหมองแบบอ๋อแต่ว่ายังยังสวยกว่าตะกัวครับใช่นะฮะแล้วก็ทิ้งไว้ให้หยิบไปเรื่อยๆมันกงไม่หมอง เหมือนกระตุกวงไี่แหทิ้งไว้ม่อยๆก็หอทีนี้นอกนอกจากนั้นแล้วทิ้งไว้นานๆเนี่ยประดจะหายไปหมดไหมกระปลอดม่ไปประดไม่ไปมีธาตุแดงอาไรได้ต้านอะไรได้ก็กระตุกสีฟูข่อมุกแก้ไขได้กันไขสีเนี่ยตัดทีนี้ก็ยังไงยังไม่ทราบเป็น สอันนี้ผมเคยได้ยินแต่ว่าไม่ได้ทดลองนะเขาบอกว่าในป่าที่มีไข้ป่าชุกชุมนะฮะเราเอาปลาลอดใส่ขวดยานัทกระตังนะฮะหรือใส่ขวดอะรรอดไรก็ตามไว้ถ้าเดินเข้าไปป่ายิ่งลึกนะฮะปลอดนั่นเป็นขวดถ้าปลาลอดเทือนที่อยู่ในป่านั่นนะมันจะมากินปลาลอดนั้นแล้วมันไม่เข้าร่างกายเราถ้าหากว่าปลาหลอดนั้น มันไม่มีประลอดร่อเหมือนคล้ายๆสายล่อฟ้าอย่างนั้นนะฮะมันไม่มีประหลอดรออมันก็มามากินตั ว, วเราข้าตัวเราข้าวตัวเ<ช>ราคนไข้เราเป็นไข <laughs> ่นี่นีตามที่เขา <im it> บอกบอกกันมาแต่ผมไม่เคยสังเกตเคยทดลองแต่ไม่ได้เคยสังเกตเพราใสายไปบัวทํางานทุละอะไรเสร็จแล้วไม่ได้สังเกตครับลืมซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เกิดจริงไหมครับี่เขาเล่าเราเนี้ยครับจริงน่ะจริงแหรอฮะ เา่าแล้วไปฝ่าเหนือหรือไปเหมืองไปอะไรเหลืครับถ้าเอาปลาหลอดไฟขวดใส่กระเป๋าไว้ก็ไข่ไม่ไม่ขายออ <c oughs> นี้อีกวิธีหนึ่งปลาหลอดเนี่ยผมได้ยินว่าเมืองไทยเราก็มีทางอทําได้นะคือหมายควาว่าเรามีวิธีดักปลาหอดมาไว้ใช้โดยไม่ต้องซื้อจากเมือนอกที่เขาขายตลาดแต่ดักได้จะเงินไม่ได้ ไม่ได้ผลมันไม่ได้เพราะเราโอ้คนก็เคยดับได้ผลไหมมันไม่ได้จะได้อะไรมันก็ได้พวกเราอย่างงก็ไม่ได้ผลเลยครัไม่ได้ผลอ๋อยิ่ในต่างประเทศไม่ทราบก็ทําจากอะไรตรงนี้ฮ่าเพราะทําประเทศสเป็นมันดับในอากาศผมก็ทราบว่าดับในอากาศใช้ระบบเรดาระบบเรเดโซเนต แพร่เข้ามาในอากมันเป็นแรกภาตมันมันมาในอากาศนีทั้งในดินในน้ําทั้งอากาศมีทั่วอันนี้เรามองในตามองในเห็นอันนี้มันมันมันเป็นเรื่องแปลกแต่บางทีมันมาได้บางทีมันมาหลบการดินทำไมว่าก่อนมันเคยหลบในพนันี้ครับมีไอ้ที่ข้างของทีหลวงพ่อทํรมชาติในใต้ทุ่หน้า ตลอดทั้นั้นขาวขาวใช่ไหมครับเก็บกัน <laughs> เขาว่าชอบอยู่ตามกุดังศพจริงไหะมันเวลาที่ไปเก็บเก็บไดไ้ไม่ไม่ทิ้งครับนั่นแล้วกุดังศพมันก็บางทีก็ เ, เอาประรอดอบใส่ไว้อ๋อมันก็ไหลหลั่งมาเขาใส่ไว้เพื่อประโยชน์เลยกระดอบอะไรมันไม่เน่าเลอแล้วเป็นไปได้ไ้ยไม่ได้กคุ้มไม่ได้คุ้ไม่ได้นะครับ และประหลอดนี่นอกจากใช้จุนสีอย่างที่ที่ว่านะยังมีวิธีอื่นนะที่จะทำให้แข็งตัวได้นอกจากให้สะกัว่วให้จุนสีแล้วก็ ม, กมีพวก ข, าาข้าวผัเขา้าวผัดพกต้มเนี่ยต้มต้มแล้วใช้ใช้อะไรต้มก็ใช้จุนสีมีทางเดียวเท่านั้นนะใช้จุนสีถ้าไม่ต้มก็บดจุนสีใส่ผสม น, นะฮะแล้วก็ใส่แบบใส่แบบพิมพ์ให้เขากิน ล้วรจุลนสีบทนี่มันจะกินกันแล้วไม่กินนะมันจะเข้าห ร, รือเปล่าซูตรงไมได้เพราะความร้อนมันหนีแค่นี่ได้ได้ความร้อนอย่างนั้นนะประหลอดไม่หนีเลยไม่เลยไม่หนีนะนี่ธาตุไม่ห น, มนีนหอ๋อถ้าไม่มีธาตุไปหมดอ๋อพอร้อนเข้าไปหมดทีนี้้าหาเราจะเอาแบบพิมพ์นะฮะใส่ประหลอดแล้วก็ใส่ไปในในน้านะฮะและแต่ในน้ํำเราก็มีจุลนสีโดยอย่างนี้ใหอยู่ตัวไ ไม่เคยทดลองไ ม, ไม่ไม่เคยลองอประโยชน์ของประหลอดนอกจากว่าเอเขาใช้ไว้กันไข้ป่ายังมีประโยชน์หลายบัณติตหน้าท ร, ราบต้องเรียนนอจะเว่เลยนะเขาเป็นลัวกักกาไข้ได้เพื่อประหลอดเพ่อนมันมาก็มันเข้าไปหาเพื่อนมันก็มันก็ไม่เข้าแล้ว ถ, ถ้าผมเคยได้ยินอะไรอย่างนั้นผมก็เลยซื้อประลอดขออนุญาตไปอยู่ที่ท่าศรีแต่ว่าไม่ได้ได้ในพิสูจน์ นั่นจิตไม่สาบคนสรุปแล้วเรื่องเล่นแร่แปรธาตุนี่ก็มีผลเหมือนกันแต่ว่าไม่เสมอไปนะฮะไม่เสมอไปแล้วก็ อ, อผมเคยได้ยินว่าเมื่อสมัยราชการทุกชาติเคยทดลองกันเป็นลําเป็นสันแล้วก็ได้ผลคุณน้าเคยได้ยินไหมไม่ไม่ได้ยินนะอแล้วก็นอกจากนั้นการทำประหลอดให้แข็งก็มีวิธีดังกล่าวแล้วนะฮะ จากนั้นคุณน้ามีอะไรจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเล่นแร่ไปนธาตุมั้งฮะไม่มีอะไรนะเราเป็นเรื่องมันทำไม่อะไรจริงทักอย่าง<อ>งท่ายครูที่มามาต้องหมดอีกแล้วอะไรไม่คิดเลยไม่มา<อ> <c oughs>